จิตที่ไม่ได้ว่าเป็นปฏิฆะก็ เ, เกิดโทตานะความไม่พอใจจะเพิ่นนะหรือบางทีถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไปเรียกว่าเราเขาฟอกนะ้มั่ง่วงก็เพิดมตามหรือว่าช่อนจะหลับไปนกะ็คืออันนั้นก็เรียกว่าจิตเราก็เรียกว่าพอใจพอใจอารมที่เกิดขึ้นแม้รู้ว่าเขาม่มงไม่ดีแต่เราพอใจนะพอใจที่จะอยู่กับเขา อันนีนก็คือแต่บางทีมันก็มีกิจกริมแบบนี้นรู้สึกบางทีก็ไม่ได้อยากอยู่นะไมไ่อยากย็น ง, ง, ง่วงไมไ่อยากจะเข้าไปอยู่กับเขานะแต่มันก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าอะไรกำลังสติไม่พอใช่ไหมกำลังสติไม่พออนะมันเลยออกมาไม่ได้รู้ปร่วงนะเข้าไปเป็นกแล้วแต่ไม่เป็นไร น, นะถ้าคนรู้ว่าแบบนี้รู้ว่าเออ มันกำลังเข้าไปถูกความม่วงมันก็ออกมาได้นิดหนึง่งออกมาแล้วพลังสติมันยังไม่พอก็ถะลักหรือว่าเข้าไปเป็นตุ้งมง่วงใหม่แต่พอเรารู้ทันบ่อยๆนเหมือ น, ในใคล้ายๆชักเกระเยื่ะนเราชักกะเยื่ไม่ใช่ให้ติดฝ่ายมันรากไปนั่นเดียวถ้าให้เขารากด้านเดียวแล้วก็มีสิทธิ์แพ้แน่นอนแต่เราก็ดึงกลับมาบ้างนะมันก็ต้านไปบ้างดึงกลับมาบ้างต้านไปบ้างไม่แน่ดอกเดี๋ยวครับ ตัว่วมันก็สะดุดทายไปเองนะบางทีอย่างอาจะมาตอนใหม่ใหมก็ง่วงมากเหมือนกันนะง่วงมากก็บางทีก็อาศัยการเปลี่ยนอีเลี่ยนบดช่วยก็ได้เช่นเราตอนใหม่ใหมจะไม่ค่อยถนัดที่จะนั่งเยี้ยงมืเพราะว่าบางทีนั่งเราถึงง่วงง่าย<ๆ>ก็ลองขี่สูตเป็นเช้านะแล้วก็กระดุมกระลือบ้างนะเราก็ไม่ค่อยอยากนัง่งเราก็เดินถ้าเราอาศัยการเดินไปไดักก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ แต่บางวันก็ไม่ไหวจริงเดินแล้วก็เสียงล่วงชลนะ้างหน้าล้างตาแล้วก็ยังร่วงนะถ้าแบบนั้นนะมันหนีไม่ได้ก็ชนมันไปเลยนะชนไปเลยนะก็สู้มันไปเลยถ้าสู้ได้สักพักนะถ้าน็อกมันได้สักครั้งหนึ่งนะมันเหมือนน็อกจริงๆรินะเหมือนคล้ายๆตะลุมบอลกันระยะหนึ่งล่วงก้องล่วงนะเ อ, อแทบจะไม่ไหวแล้ะแต่พอทนพอฝืนไปสักพักหนึ่งเหมือน มันโชคไปทางมาได้มันล็อกตรงไปนะวันนั้นทําวันก็หายง่วงไปเลยก็มีนะอืแต่ถ้าเราเคยผ่านแบบนี้ได้นะกําลังใจมันจะ ม, มากับมหาศาลนะความง่วงที่เราเคยเห็นมันเป็นสึกหนักนะต่อมาเราก็สามารถชนะมันได้เหมือนกันวันหลังอาจจะมาใหม่มันก็รู้ว่ามันก็ไม่เข้าใจหรอกอาจจะรู้หนักในตอนนี้แต่ถ้าคนเข้าฝืนตั้งใจมันก็หายนะบางทีก็ต้องมันก็มีอุบายเยอะ มันก็มีอุบายแต่ที่สําคัญก็คือใจเราไม่ละเกียดความง่วงเห็นความม่วงมันผ่านเข้ามานะอาจจะเกิดจากบางทีมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราบางทีเราทําแบบเพิ่มเกินไปนี่แหละเดินท่าเดียวนาะนสม่ําเสมอไม่รู้จะเปลี่ยนบ้างเลยนะบางทีหรือมือชีตาก็แบบทอดตำสารวมเกินไปนีบางทีหรือว่ามองอยู่แต่ด้านเดียว ไม่ชอบไม่เรียกว่าไม่เหลียวซ้ายแลขวาอะไรนะแน่นอนมันต่วนหนึ่งมันช่วยให้สำรวมระวังแต่ต่วนึงก็บางทีก็ทําให้ให้มันคล้ายๆมันเคิร์ฟหรือว่ามันไม่คิดไปพอมันไม่ค่อยคิดนะมันก็เคิร์มก็กลายเป็นความงงอกทหแล้วก็เปลี่ยนมากนะมองไกลๆมองไกลก็ช่วยเยอะมองไกลๆบางทีตั้งใจมองซ้ายมองขวาตั้งใจมองซ้ายมองขวา บางทีตั้งใจหายใจเข้าตั้งใจหายใจออกเสริมถ้าเช็ดที่จริงมันก็หายใจของมันเยอะแต่เราไปตั้งใจดูเพิ่มนะแต่ก่อนพอเราเดินยังลมเราไม่ไม่ไสนใจคือเวลาเราทําอะไรเราเราสนใจแค่อย่างเดียวเป็นหลังเช่นเดินเอาไม่ต้องไปประสานลมหายใจกับการเดินเอย่ยวบางคนอาจจะสับสนเนะาะนี่ยงตัวอาตมาเองตัวผู้นิมย่มยก็เคยฝึกแบบดูลมหายใจมาก่อนบทีจะทําแบบไหน เดินไปพร้อมหายใจไปพร้อมได้ไหมก็เก่งนะเก่งอืไม่ค่อยสบายแต่บางคนก็อาจจะเดินได้นะแต่ก็ถ้าเดินนานๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรก็ไม่ต้องใช่ไหมอย่างของพ่อเทียให้ท่านให้ยกมือแล้วก็ทิ้งอย่างอื่นไปไลยไม่ต้องไปสนใจลมหายใจไม่ต้องสนใจคําบริกรรมไม่ต้องไปสนใจรู้ว่าเนี่คือแขนนี่คือขาแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงการหยุดนิ่ง รู้สึกทางการสัมผัสให้คนนี้เป็นมันเป็นกิริยานะมันไม่ใช่มีไม่ใช่มีเรียกว่าเป็นเป็นน้ำหรือว่าเป็นตัววัตถุอมาพู่แต่ถ้าจําเป็นแขนเป็นมือเป็นขาเนี่ยเป็นวัตถุแต่สิ่งที่หลางพ่อเทียนให้รู้คือมันเป็นกิริยากิริยายศกิริยานิ่งกิริยาที่สัมผัสนะเนี่ยมันเป็นเวทนาที่สัมผัสเกิดขึ้นตัวรู้สึกตัวเนี้ยมัน เราก็รู้แบบนะี้แต่บางทีเผลอไปคิดว่ามือคิดว่าแขนคิดว่าขาคิดว่าของเราพอรู้ทันนะพอจิตมันรู้ทันอ้ อ, อมันจะมันจะเห็นเป็นแค่กิริยาอาการเท่านั้นเออไม่ใช่เรา อ, อไม่ใช่กายนะมันเป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวการสัมผัสการกระทบสิ่งเร้นะนะก็โดยนะความม่วงนะควม่วงคิดมากไหมนะมาก คิดมากไหมนะรำวนรำวนไหมเป็นอย่างคิดไปอดีตจะคิดไปอนาคตหรือคิ ด, <c ười> คดที่ปัจจุบันนี่แหละมันเห็นอะไรได้ยินอะไรจะคิ ด, ไ, คดไปรู้สึกไหม ก็คิดในปัจจุบันตาเห็นรูปนะก็ไปคิดตามสิทธิตาเห็นหูได้ยินเสียงก็คิดนะเ size. ครื่มอเตอร์ไซค์ไปคิดเรื่องเสียงดังเรื่องสุกน้ำจะสุกทั้งวันหรือเปล่าบางทีก็ไปรำคาญสิ่งธรรมชาตนะิอันนี้ได้ยินเสียง อากระทะอาอาหารวันนี้ใหญ่การอะไรใช่ไหมถ้าบีกินมายิ่งคิดไปใหญ่เลยเนี่ยอันนี้คือการที่อาเรียกว่าอารมณ์กระทบในปัจจุบันเนียทางตาหูจมูกลิ้นตายหรือว่าใจมันรู้สึกของมันเอง น, นี่คืออารมณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นที่พระพุทธจ้ า, าสอนนะคราอียะนะบอกตาน่าตากระทบรูปสัตจะว่าเห็น จมูกกระทบกลิ่นแต่ว่ารับรู้นะถ้าจมูกกระทบกับกลินก็รู้เฉยเฉยกายสัมผัสนะก็รู้เฉยเฉยหูได้ยินเสียงกจิตกระทบรสถ้าเรารู้แล้วก็เฉยได้นะมันก็ไม่กลายเป็นการปุ๊บแต่แต่บางทีเราไม่เฉยก็ไม่เป็นไรนะพอรู้ว่าใจไม่เฉยนะอหูได้ยินเสียงอะไรใจไม่เฉย ก็รู้ทันตรงนั้นอันนั้นคือปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นใหม่อพอมันกระทบแล้วใจรู้สึกอย่างไรตามรู้ลงไปที่ตรงนั้นหรือถ้ามันไม่อยากไปรู้ตรงนั้นมันแค่กลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวอย่างอื่นเช่นเราเดินจมคมอยู่มันเผลอไปได้ยินเสียงแล้วก็ใจไหลไปตรงนู้นแต่เราก็กลับมารู้สึกที่การสัมผัสที่การเดินใหม่ก็ได้เหมือนกันบางทีนะ เรารู้แบบไหนเรารู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ก็รู้ได้นะไม่ผิดนะบางที่บางคนท่านอาจจะสอนให้เราตามไปรู้ถึงอาการของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือบางที่ท่านอาจจะให้นินน้ยมกลับมาอยู่กับกรรมฐานที่ทําเช่นการเคลื่อนไหวที่การยกมือก่อนแบบนี้ก็ก็ไม่ผิดนะว่าแต่เรารู้ให้มันได้ไม่ไหลไปกับอารมณ์นะไม่ผิดนะจะกลับมารู้กายก็ได้หรือตามรู้ใจที่มันเผลอไปก็ได้เหมือนกัน ว่าแต่กลับมารู้ให้ได้ว่าตอนนี้ยกายหรือใจทําอะไรรู้สีกยงอะไรอันนียคือกรรมฐานนะไม่ใช่ว่าต้องตายตัวอย่างเดียวเพ่เพแต่เรารู้ได้แบบไห น, นก็รู้แบบนั้นหรือบางทีบางอารมณ์มันก็รู้สลับกันไปส ล, สลับกันมานะมันเลือกไม่ได้แบบนั้นแต่ต้องเรียกว่ารู้ทันอะเร็วเพราะถ้าความคิดมันเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทัน <c oughs> คิดยาวนะ ที่เดนจะกกมคิดยาวนะ<ม>คิดหลายรือ่อเพราะไม่มีอะไรให้ทำใช่จิต ม, มันบทีมันก็ อ, อยากไะฮะน<า>ี่อย่เวลาคิดหนักรู้ไหมทาไมมันถึงอยากคิดคิดถึงภา ร, รกิจที่เคยท ว, วันนี้ไม่ได้ทช่วงได้ลูกเอลูกจะกๆๆอะไรกินได คิดได้จะไปรับไหมใช่เนาะบางทีก็ต้องวางใจแบบนั้นเลยวางใจเลยเพราะเรื่องบางเรื่องเราคิดได้แต่เราทําไม่ได้เพราะเรวางวางแต่บางทีห้ามไม่ได้เพราะเป็นความเคยชินเนาะเวลานี้วันนี้ทําแบบนั้นแบบนี้เราเคยชินเราเราไม่ได้ฝึกให้ห้ามจากหลักวิทยาศาสตรไม่ได้เน้นให้ให้ห้ามไม่ให้มันคิดไม่ใช่หม ห้ามก็ผิดนะเพราะว่าควอมคิดเป็นธรรมชาตินะมันห้ามไม่ได้ห้ามก็จะกลายเป็นการกดผมกดผมบางท่านก็กลายเป็นเครียดนะหรือใครกดผมเก่งนะกดผมด้วยการเปลี่ยนมาอยู่กับอารมณ์เดีย ว, วก็กลายเป็นการทํำสมาธิเพื่อที่จะพักเพื่อที่จะเรียกว่าหลบอารมณ์ก็กได้เหมือนกันแต่มันได้แค่ระดับของสมาธิแต่หลวงพ่เทียนท่านเน้นว่าไม่ต้องห้ามความคิด อจะคิดจะคิดไปแต่ไม่ตามความคิดไม่ใดไปตามความคิดคิดแล้วก็รู้ก็กลับมารู้สึกไม่ได้ห้ามความคิดจะคิดร้อยตัหนก็ไม่เป็นไรปล่อยคิดไปเลยแต่ไม่ไปคิดกับมันนะรู้สึกว่ามันจะไปคิดอีกแล้วเอรู้ทันแค่นี้พอเลยไม่ต้องไปวิจารณ์ต่อว่าไอ้นี้คิดเรื่องอะไรคิดดีหรือไม่ดีอ่าสมควรคิดหรือไม่สมควรคิดเวลานี้เราวางไว้ก่อน เรื่องที่สมควรคิดเดี๋ยวมันตั้งใจคิดเองแต่ตอนนี้อนสองสามวันนี้ไม่ต้องมีเรื่องสมควรคิดเท่าไหร่นะช้ายก่อนนะค่อยๆวางเพราะว่าอะไรลองทําตัวแบบคล้ายๆอยู่ง่ายกินง่ายนะความคิดมันก็จะน้อยนะความลบตริงๆลบความิดมันก็จะน้อยลงไปดงก็หรือภารัตอย่างอื่นลองแบบใจเต็มๆเลยนะเราจะปฏิบัติทำนี่ การที่มีใจิตใจเด็กเดียวมั่นคงนี้ก็สำคัญมากเพราะบางทีถ้าเราไม่มัน่นคงไม่ตัดภาระไปเลยไม่วางไม่ทิ้งไปเลยเนะี่ยบางทีมันวางแต่ภายนอกแต่ใจเราหมวงคล้ายๆทำก็แม้แต่เดินจงกรมที่นี่ฟังทำอยู่ที่นี่ใจกังวลถึงเรื่องที่บ้านที่ทางานมันก็ไม่ได้ไประโยชน์คล้ายๆแล้วก็เนะสียนะเสีย หลายคนเหมือนกันนะเวลาฟังธรรมพระพุทธเจ้าบางคนฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมแต่บางคนคิดโอ้พระพุทธเจ้าท่านเทศดีเหลือเกินอยากให้รูปมาฟังบ้างอยากให้แฝงมาฟังบ้างอยากให้พ่อแม่มฟังบ้างนะได้แค่ตรัทาต้องมีนะอืแต่ใจไม่น้องนํำทำไปตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะแม้คิดดีนะแม้ดำดิ่งในทางที่ดีในทางที่ชอบแล้วแต่ก็ยังเรียกว่า ยังไม่ดีพอที่จะทําให้เข้าใจทำงานแอบวางไปเลยนะวางเราเป็นสารวัตรยังวางเท้คราวเดี๋ยววันจันทือวันก็ต้องกลับไปทํา ง, งานใหม่อาทิตย์ก็ต้องกลับไปที่บ่านนะนะนะบางทีก็ต้องฝึกนะลองเรียนแบบพระนะวางแบบยาวๆไปเลยลองดูมันเด็เดียอกดีแต่บางทีเราโดยสมมุติเราอย่างวางไม่ได้แต่พยายามวางใจให้มากที่สุด มีรูวางใจแบบไหนเนาะจะไม่ทุกข์ทุรุมีแฟนวางใจแบบไหนไม่ทุกข์ทุแฟนมีงานวางใจแบบไหนจะอยู่เหนือหน้าที่การงานได้บ่าไม่ใช่เอางานมาคิดทุกวันทุกเวลาเนะี่ยกรรมฐานจะช่ืยให้เราวางตัวนี้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ทํามีภาังมี energy ก็ทำทำให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ปัญหาคือคนวางไม่ค่อยเป็นใช่ไหม ตอนจะนอนก็ว่าไม่เป็นเอาง่ายๆอยู่ไหมแต่ตอนจะกินเลยโอ้ไปกินนะด้านอาหารอร่อยอร่อยขนาดไหนแต่ใจก็คิดแต่เรื่องงานเนี่ยวิ้นไม่ค่อยได้รับรถนะเขี <c oughs> ้ยวไปแค่นั้นแหละน ะ, ะไม่ได้รับรถนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์เต็ม ท, ที่นอนที่นอนนุ่มแอร์เย็นขนาดไหนก็รู้สึกร้อนใจถึงงานวันพรุ่งนี้อยู่เนะี่ยก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นเราต้องรู้สึก รูจัดวางความคิดไม่ห้ามความคิดแต่ให้วางความคิดไม่ได้โดยการรู้ทันน่ะเดีวมันจะวางมันเองเนาะยังไงบ้างตอนน ที่ทำในรูปแบบหรือว่า ว่ามันจะเพียจะไม่ไหวถ้าถ้าถ้ายังทําสมาธิแล้วแต่ยังรู้สึกติดใจเยอะก็ชาติสมาธิจะเพิ่มข้นทั้เลยเราให้สติสมันเรียกว่ามีกําลังมากกว่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสมาธิมันเหมือนคล้ายๆมันขมหวานเหมือนอาหารรสอร่อยนะมันจะทําให้เราเพลินง่ายแต่ถ้าเราเรียกว่ามีปัญญามากขึ้นนะ มันจะไม่ติดในรสชาติของสมาธิแม้บางคราวจิตสงบแม้บางคราวมีความสุขเกิด ข, ขึ้นจะมันจะถอดออกมาได้แต่ถ้าสติเราไม่ทันเดี๋ยวเราจะหลงจิตนนถ้าเพียก็อาจจะก็เปลี่ยนวิธีว่าให้มันอาจจะทําแบบเราเดินมากเรายกเราก็อาจจะทำไปค่อยก็ได้ะทําแบบนี้ก็ได้หรือตึ้งแบบเสร็ จ, จถึงกับขนาดต้อหนบบเป็นภาพแต่ถ้าใคร แล้วไม่ติดก็สามารถทำหน้านะเอวเราคิดมากคิดเรื่อยนะอย่เราก็คิดทำไมอยู่เฉยอเลยอยูเฉยๆไม่เริ่มทำเอย่างนั้นเหรอคบอบอกไม่คิดทำไมแล้วใจคิดอะไรมันก็มีคนบอกนะคิดแล้วเหรอมันก็จิตเราคนบอกว่าคิดแล้วเราไม่อยู่คิดแต่คิดใม่อะไเรื่องเพอฝืนแล้วคคิดเศราเ ลงเลยเล็กไปเรื่อยๆดีแ้วมึงคมันก็เป็นเรื่องก็ยังดีทีค่ความคิดมันไปเตือนก่อนคิดมันเตือนแล้วคิดแล้วคิดแล้วเลยแต่แต่ก็ ถ, ถ้าพอแค่นั้นได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียห า, ายแต่ถ้าเั็นทีมมันไปดังค่ะไอ้แต่มันคิดอีกแล้วคิดมากเมกเันเดิมไม่อยากคิดบแบบนั้น ไม่เอาแบบนั้นเนาะทแบบไร้สาระไงไม่ได้คิดมีขวามรู้ก็ไม่เอาเข่าใจไหมนี่ยทีเราก็ต้องลองเนี่ยเรื่องไร้สาระเรื่องดูอะไที่มันแบบไม่ใช่ดีบางทีเราเราละระวางได้ค่อนข้างง่ายแต่บางคนก็ไม่ง่ายนะยิ่งเคยที่งพอใจก็มีแต่ก็ระวังในบางทีมันอารมณ์ที่ <c oughs> เข้าใจธรรมะนะคิดธรรมะขบธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะได้ลึกซึ้งหมดเข้าใจอนะ่สิ่งที่เคยได้ฟังสิ่งที่เคยได้อ่านอนะหรือสิ่งที่เขียนแล้วก็เข้าใจเป็นธรรมะหมดในพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือกันมันมีอารมณ์นี้เหมือนกันนะมีอารมณ์นี้ต้องระวังเพราะว่าอารมณ์เนี้ยทําให้คนติดคนเซอร์ง่ายๆเลยแล้วก็มันจะเป็นสำคัญว่าเรารู้แล้วเข้าใจ มันก็จะพอจะคิดที่เดินจะกลงไปคิดเทศเทศสอนตัวเองก็มีคิดเทศถ้าเป็นพระอาจจะหลงมากเลยคิดเทศสอนคนอื่นเตรียมบทเทศสอนคนอื่นก็มีแต่โยมอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดเขียนหนังสือขายด้วยซ้ำชื่อสวยแพรตัมมะทางตัองทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็มีมม น, นี่บองคนตั้ง เป็ครูบาอาจารย์สอประทูทำก็มีทีมันความเข้าใจนะความเข้าใจในแง่พวกนี้บางทีมันก็มันก็ดีนะแต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้ติดเหมือนกันรู้รู้ก็เบาบางรู้ก็เบาบางเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จริงการปฏิบททัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องความรู้แต่เป็นเรื่องของทักษะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปฏิบัติเพื่อจะรู้อะไรแต่เป็นเรื่องทักษะในการที่จะทำอย่างไรถึง ถึงจะเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่เป็นเรื่องของทักษะเลยนะทักษะในการจริงไม่ใช่เรื่องการสอนจิตให้คิดแบบนั้นแบบนี้อให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมันคิดเมื่อไหร่มันวางเลยไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะไม่ต้องไปคิดว่าแก้วน้ํำถือมันหนักหน้าที่ของมันหอกมันคือไม่ต้องคิดมันก็วางของมันความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดตอนคิดมันก็วางของมันเองความทุกข์เช่นมีติ่งกระซบมาเมื่อไหร่ ไม่ต้องไปคิดสอนว่าตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นนะอะไรนะั้นไม่ต้องไปต่อนนะแต่พอมันสะทบแล้วจิตมันไม่ไปคิดไม่ไปปรุงต่อเนี่ยเป็นเรื่องของของจิตที่มันเป็ น, ปนตัวเองบางทีหลวงพ่อเขาเขียนใช้คาแบบเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้เป็นอไม่ใช่เรียนให้รู้เรียนให้จำแต่รเรื่องของการทําให้เป็นเป็นปเรื่องของการฝึกทักษตะตรเนี้การที่เราต้องปฏิบัติทํา ไม่ ก, ก็ทักฒนาได้จับนานขึ้นความรู้ส่วนใหญ่ก็เรียนกันทันกันอะไรความ <c oughs> มากๆอ่านมากๆนะ้นบคิดให้เข้าใจสักหนยก็พอเรียกว่าพอเข้าใจกันได้แต่เรื่องทักษะของการทําให้เป็นร่จมันเป็นชั่วโมองบินนะ <c oughs> เก็บชั่วโมองบินประตบการณ์แต่ละค น, น <c oughs> ทำให้เป็นตัวนี้นี่หมายถึงสุดวางใช่ไหมคะาควางมันเองเรื่องคือ ถ้าทำบ่อยๆก็มันจะวางไเร็วขึ้นอย่างนัง<ม>้นใชไหที่ว่าทําให้เป็นตัวนี้นมันเป็นวางอารมณ์เป็นนะวางความทุกข์วางความหลงวางความโลภแะไออกไปจะติตใจนะก็ <c oughs> จากการรู้ทันนี่แหละมันต้องรู้ก่อนแล้วถึงจะวางรู้รู้ว่าอารมณ์ตนตัวนี้เกิดขึ้นเป็นแบบไหแล้วก็วางลงไปแม้แต่กายไม่แต่ใจก็กายก็รู้เฉยเใจก็รู้เฉยเฉยเนี้ยมันจะเกิดนะการวางนะทําให้เป็นคือตรงนี้ เราคิดอยู่ก็กลับเคลนไหกอนกลับกัน้คือเป็นการเป็นการแล้วอนไปคจากถัดรลักมาแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นเป็นสัยไม่ไม่หันไหลปรับคิดคือปกติเนยอย่างปัญหาของงานเือความคิดที่มันเย้าอยู่ความคิดมันเย้าวอยู่เราจก วางเลยายากไม่อยากคิดนะไม่อยากคิดแต่มันก็จะเป็้ว่าไม่อยากคิดนแต่มันก็เจ้าหยวนมากฉะนั้นนี่นคือตรงนี้นคื อ, อย่างหดท่าเทียนท่านอาจารบอกเพียงแค่รู้สึกได้ว่าเรากำลังคิดอยู่อย่างก่อนไม่ต้องรู้ว่าคิดอะไรจะซ้ำกับเมื่อก่อนรู้สึกได้กับเมื่อก่อนไปตามดูว่าอะไรคือตรงนี้ครับหักตรงเนี้หักหักจะเป็นหัก ทำได้นะ้วิาใช่ไหมฮะเราทาได้เราเราวางได้แล้ววิญาให้สิ่งที่เราเองเราบอกว่ามันคิดแบบนี้อินจักเนี่ยหนั่นนั่นก็คือเราก็ไปตามไล่มาปฏิโนอันนี้คิดนี้จิแล้วคอยคิดตามไปอีกมังอีกแล้วใช่นันคตรงนี้เราอย่างเราเราูรู้ว่ารู้สึกได้ รู้สึกได้ก็ถาคนไหนก็รู้สึกได้นะกำลัง ค, คิดอยู่ใช่ไหมฮะรู้สึกได้ถ้ารู้สึกได้กลับมาก่อนรู้สึกได้กลับมาก่อนนะกลับมารู้สึกตัวรู้สึกที่การเปิดามโงการก่อ น, อ น, อนตรงนี้มันจะช่วยช่วยให้เรารู้ว่าออนี่เรามีความสามารถที่จะใช่ไหมฮะลากด้านวางได้ใช่ไหมบรรยา ก, กาศากด้านมาส่วนัวมันจะเป็กนการลากด้นมาเราให้ก็ตูุสิ่งของเป็นที่ ง, ง่ายกว่าการหลักคำชี้ <c oughs> ลองดูสองสมบัติน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 จะบอกว่าปัญหาของเขาเป็นหน้าที่ของผมไม่ใช่ปัญหาของผมใช่ไหมฮะคือวันหนึ่งถ้าเราพูดได้อย่างนั้นจะไม่ฮะเหมือนกันนั่็คือจะไม่ฮะเราก็ก็คือเป็นเพียงแค่เรี่ยมที่ให้เขาช่วยระบายความทุกข์ของเขาใช่ไหมฮะหนึ่งอย่างแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราเสร็จจบกันไปใช่ไหมฮะเออเจอนี้เจอเะมันจะเป็นสิ่งที่ ช่วยคือถ้าเกิดว่าเราพยายามพยายามเราสายหน้าหรือเราแค่นี้เองเนี่มันก็เข้าไปส่เสริมแล้วใช่ไหมฮะคือต้อยนี้ก็คือแต่ว่าเราหักเนี้ยถ้าเราหันอย่างนี้ใช่ไหมฮะหักเสียเนี่ยคือได้ยินสักว่าได้ยินก็เหมือนกับตอนเนี้ยเรากําลังได้ยินอีงหลายหลเสียงแต่เสียงหลายๆเสียงเราก็ไม่ได้สนใจจนไปฮะเราสนใจเสียงนี้อะไรเลยเพราะฉะนั้นคือก็เหมือนกัน มันมีเสียงหลายเสียงที่เราไม่ได้สนใจงนี่นะเพะฉะ้นก็ให้เราหัดวางจากอย่างนี้ค่อยๆรู้สึกได้ว่าคิดเพืวังก่อนรู้สึกได้ว่าคิดเพืกลับมาก่อนรู้สึกได้ว่าคิดกลับมาก่อนตรงนี้จะช่วยได้ก็ช่วยได้จริงๆนะเรานะครัปัญหาอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมีคิดเรื่องนั้นเล ปัญหาคือเราแบบไปใช้เราเหมือนอยากจะทำตัวแบบว่างไปเลยรับฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดต่อหรือว่าสบายเลยพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังอ่ะที่จริงความทุกข์มันเกิดจากตรงนั้นแต่ถ้าเราแค่เห็นว่าที่จริงมันก็มีเหตุมีปัจจัยแบบนี้มีคนมาพูดในื่งแบบันนี้เราก็เลยคิดไปบ้างวางไม่ได้บ้างถ้าเราตัวนั้นเป็นคล้ายๆเป็นตัวคล้ยๆเป็นแบบแบบต้นต่อ อ๋อก็คิดก็แค่ก็แค่กลับมาเหมือนกับเรื่องอื่นเรื่องที่เราชอบใจก็คิดเหมือนกันัแหละถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะมันก็จะไม่ลำบากแต่เพราะว่าเราอยากอยาไม่ให้มันคิดเลยที่มันจะเกิดความสียใจไม่พอใจถ้าถ้ามองให้เหมือนกันจะด้านบวกด้านลบก็เหมือนกันก็ต้องวางเหมือนกันรู้เท่ากันแต่ใจอนนี้มันจะอาจจะเป็นกางกับอารมณ์พอใจเป็นกลางกับอารมณ์นะมันก็ความนี้ แต่ถ้าใจไม่เปียนคางก็ลงจะบวกหรือลดก็ บ, บางในย่นกกาต้องฝึกนักกคาเฟ่อาน้ำกานข้าว